ปฏิบัติธรรมะวิธีที่พวกเรานํามาปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เป็นวิธีที่รัดลัดไม่ใช่เป็นวิธีที่ทางโค้งเป็นวิธีทางรัดเนี่ยว่าทางรัดทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมเน่ยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทานไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้องกับธรำโภชสงุขที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าพูดกันมาแล้ววันนี้ว่าจะพูดเรื่อง ปัญญาปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเรสยาละเอียดเนี่ยนะพูดกันได้แต่ปัญญาชนิดไหนเราไม่เคยรู้เลยหลวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ ก, ก่อนบัด น, นี้เราจะมาพูดให้พวกเราได้เข้าใจว่าปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิ่ลสยาละเอียดปัญญาชนิดไหนปัญญาญาปัญญาตาใจเดียกปัญญาญาหรือญาปัญญ า, า, า, ญญาเข้าไปจัดการกับเรื่องผมไม่รู้ ความไม่รู้มันอยู่ที่ไหนคือความไม่รู้สึกตัวนี้เองทำความรู้สึกตัวมากเึ้่มมากเึ้่มเกิดยานปัญญาแต่ไม่ทบทวนอารมณ์นะวันนี้จะพูดว่ายานปัญญาเขาไปรู้แจ้มเห็นจริงรู้อะไรทีแรกเรื่องโภสะโมหโลภก็พูดกันมาแล้วเหล็กิีเรอยางยาสีเรอยางกลางคือเราไปติดความสงบต้องการอยากให้ความสงบได้มาม า, มากอันนั้นเรว่ากิเลสยางกลาง เพราะเราไม่รู้เนี่ยนั่งสงบแล้วถือว่าเราสงบไม่ใช่นะเรียกว่านอนหลับทับติดนะเป็นวิธีนอนหลับทักติดปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลอย่างละเอียดต้องมองเห็นเออนั้นมันอยู่ใต้โมหะปัญญารู้จักโมหะกลไกของโมหะปัญญารู้จักกิเลสไม่ใช่กิเลสดังที่โธสะโมหะนั่นเองกิเลส กี่เลอย่างไหนรู้จักทั้งหมดเรียวปัญญาเดี๋ยวเราชอบเราเกลียดเป็นปัญญารู้จักเรียวปัญญาปัญญาสามารถเหมือนกับแสงไฟแต่สมมุติเอานะจะเข้าใจว่าไปนั่งทําจังหวะแล้วจะเห็นเหมือนแสงไฟไม่ใช่ยังเมื่อกับแสงไฟเราถือไว้ลมพัดไม่ได้อะไรพัดไม่ได้มันจะคุ่งเห็นเห็นใจเราเองปัญญานี้เห็นใจมันนึกมันคิด รู้เท่าทันเหตุการณ์เดี๋ยวคิดนั้นเดี๋ยวคิดนี่ปัญญาสามารถรู้อันนี้พอดีรู้เข้ารู้เข้าปัญญามันจะรู้พอดีปัญญามันรู้แล้วตัวนั้นจะลดลงเมื่อตัวนั้นลดลงแล้วญาณปัญญาเกิดขึ้นอย่างวิปัตนาญาณไงมันจะตรงนี้ตัววิปัตนาญาณตัวนี้สามารถจะมองเห็นว่ า, าเราให้ทานเรารักษาศีลเราทำความสงบมีค่าอย่างไรรู้นี่เดี๋ยวเป็นปัญญา คำจัดเี่ยงใละเอียดเราเห็นเรารู้คนอื่นจะโล้แทนเราไม่ได้จังหวาปัญหาอื่นๆจะไม่ข้องแหวนเลยอันนี้เป็นจิตใจของทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเรื่องปัญญาตัวนี้แต่เราไม่ทําให้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็มีความสงสัยเอ๊ะผิดไหมถูกไหมเนี่มันสงสัยอันสงสัยก็มีความทุกแล้วเนี่ยเฮ้เราทําแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ต้องสงสัยเลย เราตายแล้วไปตกนรกไหมไม่ต้องสงสัยเลยปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเดีย๋ยวญาณปัญญาของวิปัสนาเมื่อวิปัสนาเกิดขึ้นมันจะมีความสุขอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้วังว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีคือจิตหลุดพ้นแล้วน่ยมันมีแล้วแต่มันมีแล้วแต่มันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันมันก็เลยไม่ได้แสดงออกมาจิตหลุดพ้นแล้วยานย่อมมีตําราท่านบอกอย่างนั้นแต่จิตหลุดพ้นแล้วยานย่อมมีรู้อะไรคือว่า ลูกการดุดดุดแล้ดุดหาโคดุดหาอาจารย์ดุดหาวิธีปฏิบัติดุจจริงๆหลวงพ่อรู้อันนี้จําเป็นต้องเอาตัวเองมาเป็นคนป้อกันคําพูดตัวเองเนี่ยตัวเองต้องพูดแล้วต้องเที่ต้องป้องกันตอนเฝ้าหลวงพ่อรู้ธรรมะอันนี้เหมือนกับถอนเสื้อออกเพราะมันนุ่งเสื้อเนถอนเสื้อออกแต่ไม่ได้ถอนดอกแต่มันสมมุติถอนกางเกงออก ให้วาทอัดออกทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อนหนังเนี่ยืด อ, ออกทั้งหมดเลยเลือดไม่มีแม้หยดเดียวเลือดในตัวหลวงพ่ไม่มีแม้หยดเดียวหลวงพ่เข้าใจอย่างนั้นมีปาดเราเนี่ยเลือดมันจะหวนขับเข้าไปสู่สภา พ, พออกมาทั้งหมดเลยวมคิดเดียวนานทํามันจะเข้าไปสู่สภา พ, พออกมาเลยนี่ปัญญาตัวนี้เดี๋ยวปัญญาญาณของวิปัสสนาแล้วก็มีทุกคนทุกคนต้องประสบได้เรื่องเหล่านี้แต่ทำจริงนะถ้าเป็นคนไม่จริงก็จะไม่ได้รู้ของจริง แต่ทุกคนต้องรู้แน่นอนต้องประสบแน่นอนกับคนคนเป็นอันนี้แม้หากว่าพวกเรายังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้จวนจะตายหรือจวนจะหมดลมหายใจนี่ต้องเรื่องนี้ปรากฏก่อนนะว่าถ้าหากเราไม่รู้เดี๋ยวนี้จวนจะหมดลมหายใจเราต้องแน่นอนเรามาสร้างผมรู้สึกตัวนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานให้เป็นสายกับว่าได้หรือจะว่ายังไงก็ได้เนี่ยหลวพอไม่สร้างพูดมากเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนมาก เป็นพื้นฐานเป็นหลักไว้เป็นมูลเดิมไว้เราจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เข้าใจเรื่องนี้เมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้นแล้วเราจะไม่คองแวะเรื่องตายเรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องเรียนให้รู้ไว้ตายเสียก่อนตายยังมีลมหายใจนี่รู้วิธีอันนี้เนี่ยไม่อื่นไกลและหลวงพ่อไม่ต้องไปพูดหรอกอยู่หน้าที่เท่านั้นคำเพีเท่านั้นนี่ย ม, มาจากศัพ์นั้น พูดให้คนนั้นฟังพูดให้คนนี้ฟังหลวงพ่อไม่ได้พูดหลวงพ่อพูดเลยพูดให้พวกเรานี่ฟังมาปฏิบัติเนี่ให้รู้อันนี้แต่เมื่อยังไม่รู้ก็ต้องจําเป็นแต่ต้องเป็นพื้นฐานได้เป็นมูลเอาไว้จนจะหมดลมหายใจอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้พบก่อนหน้าจากห้านาทีก็ยังดีความสุขประเภทนี้เลยจิตเห้ hey, มังเนี่ยเป็นจิตที่กเกษมสาร ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เดี๋ยวเป็นจิตเกษมสารทันวันยงตัมลานะคือจิตอันนี้เป็นจิตเหนือทุกเป็นจิตเหนือสุขเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้หรกขึ้นเครื่องบินมองเห็นถนนหนนทางมองเห็นต้นไม้มองเห็นบ้านหลงังเดียวหุบเขามองเห็นเขาเล็กเล็กน้อยๆยมันขึ้นไปมันอยู่สูงและสามารถมองเห็นทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างอันนี้ว่าจิตว่องไว ที่หลวงพ่อจิตว่องไหวสามารถมองเห็นอะไร ท, ทุกอย่างแล้วกระตัดสินลงไปไม่พลาดเลยถ้าหากทุกคนนี่มาที่นี่ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่การพูดจะไม่ตรงพูดอย่างที่เราทํากันมาแล้วสองวันไม่ตรงพูดพูดอะไรมากมายหนักหนาพูดกันมาหลายสิบ ป, ปีแล้วคนยังพ้นทุกไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าเรามาทํากันที่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 1ิบห้าสิบหกสิบาวันบางคนอาจจะจำได้หลวงพ่อพูดบางคนจำไม่ได้บางคนยังสงสัยขังวนใจนี่หลวงพ่อทําเนี่ยไม่นานเลยแต่เป็นคนพูดจริงนะหลวงพ่อเคยพูดให้ใหเราเป็นข้าวที่หนึ่งบรรจุลงในกระสอบขายราคาก็แพงคนต้องการซื้อข้าวที่หนึ่งถ้าหากว่าเราลดราคาข้าวที่หนึ่งลงมาแล้วมันจะไม่มีราคา เดี๋ยวนี้เราพยายามเอาเข้าที่หนึ่งมาบรรจุเข้ารูปธรมศาสานทุติยศาสานตติยศาสานจตุทัศารจตุทัศานเปรียบรวมตัวกันเข้าจตุไปว่ารวมนะหลวงพ่เข้อชัยหลวงพูดเอาเองนั่นนี่จตุทัศานเปรวยบรวมตัวกันเข้าปัญจมกมาสานขันห้าจะไม่ถูกปุงต่อไปรับประกันได้เรื่องนี้เดลารู้ก่อนนะมันจะตัดขาดปุ๊บนี่ขันห้าจะปุงไม่ได้เนี่ยเข้าใจย่างนะจ๊ะ จัดตัวท่าสารไปว่ารวมรวมตัวข้าวตาก็รวมหูก็รวมสมมติมาพูดนะ น, นี่แล้วจิตใจนึกคิดก็รวมเข้ามันรวมแล้วเข้าเราตัดปุ๊บขาดช่วงทันทีเลยเนื้อหนังเราขาดช่วงอ่ะนั่นแหละจืดหมดทั้งตัวเลือดทั้งตัวเนี่ยจะไม่หยดเลยมันจะแข็งเข้าเหมือนกับแมวกินหนูนั่นเองแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยกินยังไงก็ไม่มีเลือดเพราะอันนี้มันกรองมาหมดแล้วเนี่ยคือมันกรองมาตั้งแต่ทีแรกมันกรองมานะ เราไม่เคยรู้ลูกนานเอ่ะไว้ฝังเองไม่เคยรู้ลูกนานเรารู้ลูกนานไม่เคยรู้ปรมรัตดเรารู้ปรมัดขึ้นมาไม่เคยรู้ปฐมฌานทุติยฌานหรือทางไปหาพระพุทธเจ้าเรารู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าขึา้นมาเนี่ยมันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนมามันไม่เคยว่ารู้ว่าข่สงบมันจะเห็นข่มสงบขึ้นมาควานไม่สงบมันซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนั้นจะเห็นจริงๆอันนี้หรอยานของปัญญาวิปัสนาภาวนาภาวนาเปโวะธรรมให้มาก ทำให้รู้ทำให้เข้าใจทำให้เกิดทำให้มีไม่ใช่จะมารู้จำเอาคำพูดของพ่อไปพูดอันนั้นผิดริงว่าเราเคยสวดกันว่าผู้ใดที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาว่าอาบัติปรลสิกเซฟเมถุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่งนี่ ขาดจากความเป็นภิกษุภิกษุเปลเพื่อเห็นภัยเห็นตัวนี้ปัญญายาณตัวนี้จะรู้ว่าตรงนี้เสพเมถุนเรามาพูดกันหมายถึงเพศตรงข้ามแกอันนั้นก็จริงจริงโดยสมมตุติไม่ใช่ได้จริงโดยปรามาสเสพเมถุนหมายถึงัอยู่กับหัวไม่รู้นั่นเองจําให้มันดีนะอยู่กับหัไม่รู้มันไหลไปตามกระแสของคิดจิ่งว่าทวนกระแสของน้ำํำนี่เสพเมถุนต้องทวนไม่ต้องไปกับความคิดนี่เสพเมถุนรักของเขาหนึ่ง คนอื่นพูดไปจําเอาเราไม่เป็นแต่ว่ารับคําพูดของคนอื่นมาพูดแตว่าอย่างนั้นเองข้าสัตว์หนึ่งของจริงที่มีอยู่ในเรามันจะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเรากบไว้เนี่ยแต่ว่าข้าตัวเองตายจากมรรคผลนิพพานก็ได้ข่าตัวเองตายจากพระอรหันต์ก็ได้แล้วถ้จะพูดมันเป็นคําพูดเนี่ยข่าสัตว์หนึ่งศัตรูแล้วของจริงเนี่ยพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่งเนี่ย อันนี้เดียวเราพูดของจริงเราจะรู้เราไม่ต้องพูดอ้วดอย่างที่ตลวงข้อพูดเนี่ยอันนี้เดียวพูดของจริงไม่ใช่เป็นพูดอวดเนี่ยอันนี้พูดของจริงให้ทุกคนนําไปใช้ออกชีวิตประจําวันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางลัดขึ้นเครื่องบินปื้อไปทีเดียวเลยลงสนามบินดอนเมืองออกจากดอนเมืองมาแล้วจอมาขอนแกน่นปื้อมาลงสนามบินขอนแกน่น สั้นสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองจึิงว่าไม่คลองแวกกับให้ฐานไม่คองแวกกับรักษาศีลไม่คองแวกกับไปทํากรรมฐานขึ้นตามขั้นตามตอนเน่ะขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นแต่ต้นๆถูกอันนี้ก็ถูกแล้วเราให้ทานมาแล้วเรารักษาศีลมาแล้วเราทําความสงบมาแล้วเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องรับศีลก็ได้ไม่ต้องให้ทานก็ได้ ไม่ต้องทำความสงบเลยมันพร้อมกันทีเดียวพริกมือขึ้นรู้สึกนี่ควบ ม, มือลงรู้สึกควมรู้สึกมันคุมทั้งหมดเลยคุมทั้งให้ทานคุมท้งรักษาศีลคุณทางความสงบคุมไปทั้งหมดเลยเจะญาณปัญญาเกิดขึ้นด้วยปัญนาญาณดี่ว่ า, ามีอารมณ์หกดีว่าขันห้าอัญตระสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุ ป, ปบาทเป็นอารมณ์ขา อ, อยู่ปัญนา ครูบาให้เรียนเรียนแล้วแต่มันไม่เกิดยานปัญญาบัดเนี่ยเมื่อรู้อันนี้แหละมันจะรู้ขันห้าจริงจรขันห้าตาหูจมูกเลี้ยกายใจนี่เป็นอัญตาะสิบสองไม่ต้องพูดเลยขันห้าอัญตาะสิบสองอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วมันครบอยู่ที่นี่แล้วธาตุสิบแปดจากขูเออธาตุสิบแปดจากขูธาตุจากขูธาตุแปลว่าธาตุทางตาธาตุสิบแปดสามหกสิบแปดเราไม่ต้องเรียงอะไรจากขูคือตาจากขูธาตุคือธาตุทางตาจากขูวิญญาณธาตุคือวิญญาณทางตาเนี่ย S 1> <S 1> เราไม่ต้องเรียนก็นได้เราจะตรงไปเลยทีเดียวเนี่ยอินทรีย์ยี่สิบสองเนียจะขู่ตินทรียโสตินทรีย์ขานินทรีย์ไม่ต้องเรียนก็นได้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทไม่ต้องเรียนก็ได้อวิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามนุกไปอันนั้นก็ไม่ต้องเรียนกัน ไ, นได้เราจะตรงเข้ามาทีเดียวเลยตรงที่ตรงไหนหนึ่ง <ừ. S 1> ตรงเรารู้จักเรื่องรูปนามทีแรกนะอันนี้เป็นการพูดเรื่องอารมณ์จนจบ แต่แต่ไม่ไม่ได้มาแทะคือว่าพูดให้ฟังสัง้นๆรู้เรื่องรูปนามเนี่ยรู้ถึงบาปบุญเนี่ยรู้ให้จบเลยขั้นต้ น, นขั้นที่สองเราจะรู้วัตถุแต่เรื่องเวทนาไม่ต้องพูดรู้เรื่องวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในรูน้นี่เมื่อรู้วัตถุตัวนี้แปลว่าเราได้กระแสรพระนิพพานแต่รูปนามยังไม่ได้เพียงรู้เรื่องเรื่องของคนเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องของคนตัวนี้เป็นหน้าที่ของคนแล้ว เป็นหน้าที่จะปฏิบัติแล้วที่หลวงพ่อเคยพูดค่วมเป็นคนเกิดขึ้นแล้วให้แก่เราเนี่ยข่วงเป็นคนก็นขึ้นแล้วเรารู้รูปนานี้เรื่องของคนเราเรื่องของคนเราจะรู้แล้ววันนี้รู้เรื่องวัตถุหน้าที่ของคนน่ะเพราะเราทําลายสิ่งนั้นได้เนี่หน้าที่ของคนเราต้องหน้าที่ของเราปฏิบัติไปให้ถึงข้าพุทธเจ้าเพราะเราได้กระแสพระนิพพานได้ต้นทางนี่เรียว่าเป็นอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นคือ เราเห็นกิเลสตันหาอุปทานเนี่เรียกว่าอริยผลเนียกว่าพระโสดามักพระโสดาผลจะหาว่าพูดอวดก็ได้ที่พูดความจริงให้ฟังพูดอุตตริมนุษย์สาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ทำอันนี้เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์แล้วคนธรรมดาจริงรู้ไม่ได้จึงว่าต้องเป็นคนจริงเราเป็นข้อที่หนึงคือบรรจุลงในกรสอบไปขายราคาก็ดียินคนก็ชอบนี่อย่เป็นมักเป็นผลบั น, นี้เมื่อสศีลประกฏขึ้นเนี่ยเป็นมัก รู้เรื่องความสงบเป็นผลรู้การทําบาปเป็นมักบัดนี้แต่การทําบาปออกได้รู้เรื่องการทําบุญเป็นผลไปเรี่ยวเป็นมักเป็นผลเรียกว่าเป็นจัตุทัสสารเมื่อรู้เรื่องบาปเรื่องบุญทําบาปทําบุญตกนรกขึ้นสวรรค์ทําบุญเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นผลเป็นมักเป็นผลพอดีรู้อันนี้ปั๊บมันจะขาดช่วงเรียกว่าจตุทัสสารมันจะมารวมที่ตรงนี้ วิปัสนาญาณจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เดีว่าตายเสียก่อนตายยังไม่มีลมหายใจจะรู้วิธีเข้าไปตายจริงๆควรมตายจึงไม่ใ่ตายอยู่เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจี่งว่าเป็นอาการเดียวเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระดับจิตของเราขึ้นไปตามขั้นตามตอนประโยคตายแล้วเกิดกระพริบตายแล้วศูนย์กระพริบเราจะเอาที่ตรงไหนก็เอาการเปลี่ยนแปลงไปที่ระดับของจิตใจนี่เรียว่าเราไม่ชอบอยากทําให้จิตใจเราเลือนสั้นได้ เราก็ไปเห็นการเลื่อนทสันคือเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชฎเป็นพระเทศเป็นพระธรรมเราไปติดอันนั้นเลือนสันอันอันนั้นจะเอาอันนั้นมาเป็นอันนี้บัด น, นี้เราไม่รู้เราจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวนั้นนี่รตัวโลจักอย่างนี้จิ๋วซื้อเสียงเกียรติยดนั้นดีแล้วเขาเลือนสันให้แต่ละเขาถอดเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่ตํารวจก็เป็นสิบปีสิบโทสิบเอ็เมื่อเดียวเขา ลื่นสั้นให้แล้วก็ถอดก็ได้อันนี้ทอดไม่ได้เหมือนกับที่ว่าแผลเรามีดบาดเราทั้งจะดีแล้วก็เป็นแผลอยู่ที่ตอนนี้จิตวิทย์ให้รู้จักจริงๆเมื่อรู้จักเวปัตนาญาณเกิดขึ้นแล้วมันจะลบทั้งหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วข้างต้นว่าหลวงพ่อถอดเสื้อออกถอดการเกงออกเลือดทุกหยดมันจืดทั้งหมดเลยมันกลับเข้าสู่สภาพเดิมของมันจิตใจมันก็เข้าสู่สภาพประมาณนี้ว่ พันห้าปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปโดขาดแล้วเสือกที่มัดที่ตรงนี้มัดตรงนี้ตัดตรงกลางขาดแล้วดึงส้นนั้นมาถึงตรง น, นี้ไม่ได้มันขาดแล้วไสไม่ได้อันนั้นอันนั้นใสไม่ได้จริงจริงจริงว่ า, าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดแล้วขาดแล้วไม่งอกอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละควมรมึงทุกคนจะประสบเรื่องนี้จวนจะหมดลมหายใจก่อนหนะ้าลมหายใจจะหมดต้องห้านาทีพวกเราต้องเกีย่ยมเนื้อกเกี่ยมตัวไว้ อันที่นำมาลองให้ฟังนี่่ารสิ้นจบเรื่องชีวิตของเราทุกคนจะควรได้ทุกคนจะควรมีไว้ทุกคนจะให้เป็นสัพย์ของเราที่เกิดมาเป็นคนจะไม่เสียสาาท่านว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็าตามถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตัวที่หลงพ่อพูดอดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตคนนั้นเป็นหมันเป็นโมฆะไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านหน่อยคนเกิดมาเพียงวันเดียว รู้เห็นเข้าใจอันนี้ชีวิตอันนี้มีค่ามากกว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีนั้นนี่ท่านวัดมีค่ามากแต่คนเกิดมาวันเดียวรู้ไม่ได้พิชกินตีงตัวไม่ได้ญาติโยมมาปฏิบัติหรือเพื่อนพาะสงองค์เจ้ามาปฏิบัตินี่บางทีดวงพ่อพูดไปอาจจะประสบปั่วอุทีศเดี๋ยวเขาได้เนี่บางทีหากไม่ประสบก็จําไว้เราต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองไปปฏิบัติเอาไว้นี่มันมีประโยชน์อย่างนี้ยังไง การฟังธรรมะฟังสิ่งที่ยังมาเคยฟังฟังแล้วไม่เข้าใจทําความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆไปเลยที่านว่าจะมีอ น, นิสงส์ห้าประการท่านว่าอย่างนั้นบทนี้บวชมาได้รอ้อยพรรษาท่านว่าอย่างนั้นหากยังไม่เข้าใจสภาพลปาวะอันที่หลวงพ่อกําลังพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยการบวชของคนนั้นเป็นโมฆะเป็นหมันไม่มีประโยชน์กับอันนี้แต่มีประโยชน์กับอันอื่นไปไี่เป็นอย่างนั้นเด้อ คนบวชมาเพียงวันเดียวมีแถบใส่หัวในผมขาดออกไปปุ๊บจิตใจเกิดมีความเข้าใจในสภาพหรืภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปแล้วแต่มันจําไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปคนนั้นน่ะบวหรือทีเดียว <c oughs> อดโค่นี่มีประโยชน์มากกว่าบุคคลพิธบวชมาลอยพรรษาท่านไว้การบวชนี่มาเป็นเรื่องสมมตุติให้เรารู้จักสมมุติแยกแยกจริงๆหลวงพ่อจึงเคยพูดเคยสอนว่าให้รู้จักสมมติบัญญัติ พละมาัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติแต่เป็นพระเรียบบุคคลแล้วก็ยังถูกบัญญัติสมมุติขึ้นมาให้เว้าอันนี้อันนี้แหละปัญญายานของวิปัสสนายานของปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญานึกคิดเอาอปลุกบ้านแต่งเือนหาเงินหาทองการศึกษาเล่าเรียนสอบไล่นักทำเตีโทเอกหรือสอบไล่เจ้าคุณสอบได้อุปสาอาจจะไม่ใช่ปีนะไรอันนี้จึงว่ากับอันนั้นมันเป็นอันเดียวกันดึงอันนั้นมาเป็นอันนี้ สมมติว่าปทุมมสานเขาอยให้เป็นพระโคเป็นพระโคเป็นเจ้าเป็นพระโคซะเนี่ยทุติยสารก็ให้เป็นเจ้าคุณซะเนี่ยตติยสารก็ให้เป็นพระราษฎรเนี่ยไปเรียนเนี่ยจตุทัสสารก็เป็นพระเทพซะเนีัญจมาสานก็เป็นพระธรรมไป็นตั้งเพื่อเป็นส่วนด้านสวีก็เป็นปัญญายาณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันมันถอดได้โยปทุมมาสานทุติยสารตติยสารพวกเราต้องปฏิบัติให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจเรามันจะเสียเงินนี้่ย เสียเงินเสียเวลาที่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังอีกด้วยนะแล้วก็เสียเงินค้ารถค้าลามาอีกด้วยนะจังไงต้องตั้งใจทําจริงๆให้เป็นเข้าทีหนึ่งจริงๆมาเนี่ยใครเป็นเข้าทีหนึ่งเราจะทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรและเป็นการเผยแพร่และเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่เป็นยังไงเรียกว่าลักซารักศาสนารักพระมหากษัตริย์ในลาว่าอย่างนั้นลักอะไรก็ลักของจริงในที่แล้วจังหวะ เสียสละชีวิตพอรักษาความจริงแล้วเรามีจริงไหมของจริงที่จะตั้งใจพูดจริงๆเรามีจริงไหมถ้ า, มาไม่จริงก็พูดเรื่องอื่นทำไมเป็นของจริงตรงนี้มันก็เสียสนีจังหวะพุทธศาสนาของเมืองไทยนี่จังหวะลดน้อยไปน้อยไปเพราะยังมีโรคโกรธหลงอิสาตาลอนกันอยู่มากมายแล้พุทธศาสนานั้น่ะไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีการอิสาตาลอนท่านสอนอย่างนั้น เจ้าความสุขมันเกิดขึ้นมาจึงว่าจิตเป็นกเกษมสารเป็นวานอย่างไงจึง<ฮ>ว่าเขมังเป็นจิตกเกษมสารเป็นจิตเนื้อทุกเนื้อตุกมีในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเลยไม่ได้เกิดญาณปัญญาเพราะเราไม่ทําความรู้สึกตัวที่เองจึงว่ารู้ว่าความสงบมีอยู่สองอย่างสงบแบบไม่สงบนี่รู้อย่างแบบไม่รู้สงบแบบสงบรู้อย่างแบบรู้เนี่ยเป็นว่าสอนกันอย่างนั้นเป็มไปหมุติของหน้านี้ ที่หลวงพ่อนํามาไลฟ์ฟอนเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงจึงว่าจริงโดยปรมัทิตย์อันเนี้จริงโดยอัฏฐะอัฏฐะแปว่าได้กับมรรคแปดเลยสมาธิสมาสังปาปสมมาสมาธิไปเลยไปอันนั้นมรรคแปดอันหนึ่งมรรคแปดเราเคยสวดกันอยู่ว่าสี่คู่แปดโบลูดเอสาวกขวะโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธภาพเจ้าเนี่ยเราไม่ออกมาปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้เราต้องเอาตัวนี้ โตสามมาที่ถีตัวนั้นเอาไว้มันเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าโตที่ว่าสี่คู่แปดบุรุษเอสาวพะคัมภโตสาวกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระวีภาคเจ้าเราเอาตัวนี้แต่คํานี้เป็นคําพูดเราต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้อาหุเดยโยอาหูนโยเดนหลวงพ่อว่าอาหุเดยโยบ้านหลวงพ่ออาหุเดยโยเป็นสงควรแก่ศักดิ์ะที่เขานํามาบูชาเรียกว่าการหาพระผู่สอนเออไม่ใช่จ้าหูวงพ่อว่าหาว่าถีคนนั้การหาพระ การหาครูหาอาจารย์หาคนจริงรับประกันคําพูดของพระ อ, องค์ได้หรือรับประกันจะสอนให้ผมกี่ปีกี่เดือนกี่วันรับประกันอย่างนี้อา้าวนี่พูดแต่ว่ามันต้องเบาต้องพูดกล้าหาญคําพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอารับประกันได้สามปีอย่างนานจะได้ประสบไม่มากกว่าดอยเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายนี่อาจจะเข้าใจแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องเข้าใจแน่นอนเพราะคําพูด แล้วตัวเองจะทําให้ยางปัญญามจะเกิดขึ้นไปตามลาดับขึ้นไปอย่างนานให้เวลาสามปีนะคับมั่นปัญญาอันนี้ไว้แล้วย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีเอาจริงๆไม่พ้อถอยไม่อ่อนแอนอย่างเร็วที่สุดให้กําหนดเวลาไว้เก้าสิบวันสามเดือนอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยมันจะค่อยเป็นไปเองความเปลี่ยนแปลงนี่จะอาการความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนขึ้นไป ถ้าหากไม่ถึงที่มันสะบั้นแต่ก็ต้องว่าเรื่องความสงบเนี่ยแน่นอนรับรอว่ารู้จักจริงๆจะรู้จักความสงบแบบนั้นนันเป็นแบบนั้นความสงบแบบนั้นเป็นมันจะรู้จักจริงๆเรื่องโทสะโมหะนี่ไม่ต้องพูดเป็นญาปัะขอกเป็นญ้าปัะขอกหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วคนยังไปติดหญ้าปัะขอกก็ยังแก้ไม่ได้เนี่ยมันต้องแก้ให้มันได้พวกเราอ่ะอันนี้ที่หลวงพ่อนํามาแนะนําตักเตือนว่ากล่าวพวกเรานี่คือวันที่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่บสามยี่บสี่ยี่สิบห้าสิบวันนะถึงวันที่ย5ิบห้าแต่เราทำมาแล้วได้สองวันสามวันชั่ววี่ยี่บสี่นะสิบเจ็มือนี้นะสิบแปดเอว่าสิบแปดสิบเก้ายี่สบยิบเอ็ดยบสองยี่บสามยี่สี่เหลือเจ็ดวันเนี่ยหลวงพ่อว่ายางเร็วที่สุดนะนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอันนี้สองสองประการท่านว่า หรือว่าสิบห้าวันแต่าว่าทําให้ติดต่อกันนะมีอั น, นุสงศ ส, สองประการเนื่องเป็นพระอาหารหันต์สองเป็นพระนาคามีถ้าหากหลุดจากความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมาตั้งอยู่ความเป็นพระนาคามียท่านว่าอย่างแน่นอนที่สุดตําราของท่านแต่หลวงพ่อในโพจนะระยะส่วงที่เราทํามาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิยี่เ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่นั้นบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ต่อไป ระยะเจดวันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราได้ภูมิใจถ้าเราเป็นคนจริงนะถ้าเป็นเข้าทีหนึ่งนะถ้าเป็นเข้าไม่มีในเป็นเข้าผีแล้วก็พูดไม่ได้แล้วน่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วเพราะว่าหลวงพ่อทำมัไ ม, ไม่นานเนี่ยเพราะญาติโยมก็งเคยได้ทํามากันหลายวิธีมาแล้วบางคนอาจจะทําพุโทโธมาของยุบมาสัมมาอ阿拉หังมาหรืออานาปานสติมาแต่มันยังไม่เข้าจุดนี้บัด น, นี้เราเอาไว้ก่อน ความรู้ที่เราเรียนมันเอาไว้ก่อนมาทําความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีกาให้รู้อันนี้มันจะธรรญาณปัญญาวิปัสนาญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่อย่างที่เราพูดกันว่าเป็นอจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตอะไรก็สมมติว่ากันมาอย่างนั้นท่านจึงว่าเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าที่น้องข้อกล้าได้ก่อนถือศาสนาไหนก็ต า, าม จะถือศาสนาคิดศาสนาอิสลามฮินดูหรือศาสนาเขตามหลวงพ่อไม่ไม่เหมือนทุกคนมาเถอะแต่ว่าขอให้ปฏิบัติจริงหลวงพ่อได้สอนบาทหลวงไว้แล้วสองสามคนเขาก็ภูมิใจเนี่ยเพียงว่ารู้เพียงการเคลื่อนไหวรู้จากรูปนั้นเขาภูมิใจบาทหลวงเขาก็ซ่อนตัวทำเขาถือศาสนาคิดนะอาศัยพระพุทธเจ้าภาพพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราได้ทําไมเราต้องทําเอง ลราพ่อแนะนำเขาเขารู้เลยสามวันเท่านั้นเองเขารู้อะเรื่องบาทหลวงเนี่ยเขารู้เรื่องรูปนาเนี่ยรู้จริงๆหลวงพอแอบไปพูดให้ฟังนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นต่างๆเป็นสาสนทำได้ทุกคนไม่มีของใครจิตสงวนที่กระติดได้รู้แล้วไม่ให้คนอื่นรูก้กอดไว้กับไม่ได้รู้แล้วฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ได้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วทําลายตัวเองก็ไม่ได้รู้แล้วจะสงวนที่กระติดไม่คนอื่นรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนนั้นทำถูกต้องรู้ไปเอง นี่ที่หลวงพ่อได้นํามาแนะนําตักเตือนว่ากล่าวกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจนําไปปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ <c oughs> พยายามเงียบๆอย่าไปพูดไปคุยกันมากเนือ่อเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่พลิกมือคลืนคมมันจะเจ็บงอแขนที่เข้าเนาะทีแรกเนะี่ยเมื่อเจ็บงอแขงนนะี่ยเออใกล้ๆแล้วจะรู้เข้ามาแล้วนี่มันเพียปนันหลวงพ่อทำทำวันเดียวหลวงพ่อจะเจ็บงอแขนเลยเอากระจริงๆจังๆอันนี้เรา มันไม่เอาจริงมันจะเอาเน้นๆอยากพูดมากเลิกการพูดการพูดนะั้มันเป็นสิ่งที่บังเราไว้ไม่ให้เราได้เห็นความคิดเราเพราะเรายังเป็นคนใหม่ฝึกหัดใหม่เรานั่งอยู่คนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องพูดต้องคุยเร า, านั่งอยู่คนเดียวมาคิดดูอ๋อมาคิดแล้วจะได้เห็นนี่เนี่ยต้นต้นเหตุของของคิดนี่แหละเมื่อเรานำเห็นของมคิดได้แล้วความคิดจะเป็นหน้ามือหลังมืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดมันจะรู้ว่าถูก พอได้รู้ตัวเรียนน้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพไปแล้วยอมผ้าเขาจะไม่ติด น, นี่จะได้กระแสรพระนิพพาน mm. เป็นมักที่ตรงนี้จริงๆรับรองได้คนใดเข้ามาประสบตัวนี้เรารับว่าเป็นพระได้จริงๆเพราะหลวงพ่อได้เคยถามเด็กน้อยมาอายุตั้งแต่เจ็ปีแปดีเก้าปีเนี่ยเอาเก้าปีลวถึงสิบสามปีหลวงพ่อถามเป็นยังไงผมเป็นพระได้เดอายุเก้าปีเนี่ยเคยพูดกับหลวงพ่อหลายคนแล้ว เรามาที่นี่ประกันได้แล้วหรือยังถ้าประกันไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางไม่ได้เข้าถึงจุดนี้ยังไม่ได้ต้นทางแล้วจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมแล้วก็ไปไม่ถูกพระพุทธเจ้ า, าที่เพราะเราไม่รู้ทางไปหาพระพุทธเจ้านี่อันนี้ถ้าเธอเข้ามาจุดนี้แล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าทัานทีจะได้ต้นทางเดินไปหาพระพเจ้าจริงๆรับประกันได้